อย่ามายุ่งกับข้ารู้ไหมว่าโลกนี้ของใครจึงดวงจันทร์ข้าจะไม่เคยไป มาจูดิ้กวนใจเข้ามาใกล้เดี๋ยวอายุจะสั้นมาจุกจิกกูยู่ได้ทั้งวันมาจอดแจ๊คฮ่ายูได้ทุกวันถ้าหลบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟันจะล้วงลบ นั่นพูดโดยยังไม่ป็น